หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพานข้อขอหลักวิปัสสนาที่เป็นมาตรฐานการพิจารณาสังขารให้เกิดความเห็นแจ้งเข้าใจชัดรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่เป็นจริงซึ่งเรียกสั้นๆว่าวิปัสสนานั้นเป็นส่วนสาระสำคัญของการตรัสรู้หรือบรรลุมรรคผลผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นสมถะยานิกหรือวิปัสสนายานิกไม่ว่าจะเป็นวิธีปฏิบัติแบบใดในวิธีทั้ง4มีสมถะปุพพังคมะวิปัสสนาและวิปัสสนาปุพพังคมะสมถะเป็นต้นจะต้องผ่านการปฏิบัติส่วนนี้ทั้งสิ้นสําหรับวิปัสสนายานิกการพิจารณาเช่นนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่แรกปฏิบัติแต่สําหรับสมถยานิกการพิจารณานี้จะเป็นส่วนต่อท้ายหรือครอบยอดของสมถะ ถ้าเทียบกับข้อความในหลักมาตรฐานด้านสมถะที่ผ่านมาแล้วการพิจารณาหรือวิปัสนาที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็คือส่วนขยายของข้อความที่ท่านบรรยายไว้สั้นๆว่าเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสะวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นส่วนของปัญญาวิมุตตวิปัสสนานี้แสดงออกยักยืงได้เป็นหลายอย่างหลายแนวในบาลีเท่าที่พบ มีบรรยายไว้เป็นสำนวนแบบหลายสำนวนก่อนที่จะศึกษาสำนวนแบบเหล่านั้นขอให้พิจารณาดูคำบรรยายสรุปการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อให้เห็นแนวว่าการตรัสรู้นั้นแม้จะเป็นกระบวนการอันเดียวแต่ก็สามารถอธิบายได้หลายนายัยะเกี่ยวโยงไปถึงข้อธรรมได้หลายหมวด